ตัวความยึดถือในอัตตานั้นถูกพระองค์ปฏิเสธอย่างไรพูดอีกในยยาหนึ่งว่างวแต่คอยจ้องจับว่าสิ่งนี้ถูกปฏิเสธไม่ถูกปฏิเสธเลยมองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธตัวการยึดถือหรือตัวทิฏฐิที่ทำให้สิ่งนั้นๆกลายเป็นอัตตาขึ้นมาการที่พระพุทธเจ้าทรงยกขันห้า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 แม้แต่ประสบการณ์ในฌานก็อยู่ในขันห้าและเมื่อทรงปฏิเสธขันห้าแล้วก็มิใช่จะให้ไปหาอะไรมายึดแทนอีกเพราะจุดมุ่งในการสอนอยู่ที่การถอนทิฏฐิว่ามีอัตตาความยึดถือในอัตตาตลอดลงไปจนถึงรากคือภาวะตัณหาตังหากหาใช่เพียงเพื่อให้รู้ว่าขันห้ามิใช่อัตตาไม่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 ถ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธขันห้าว่ามิใช่อัตตาและทรงมีจุดหมายเตรียมไว้ที่จะให้ยึดอะไรเป็นอัตตาแท้จริงแล้วเมื่อทรงปฏิเสธขันห้าเสร็จก็คงจะทรงชี้บอกต่อไปให้ชัดเจนเป็นแน่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคงไม่ทรงปล่อยให้ต้องมาดาวเทียงกันอยู่อีกภาพอัตตาหรือความสาคัญหมายว่าเป็นอัตตา คืออัตตาสัญญาก็ดีความเห็นหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาคืออัตตาทิฏฐิหรืออัตตาหนุทิฐิก็ดีความยึดติดถือมัน่นที่พูดยันอยู่ว่ามีอัตตาเป็นอัตตาคืออัตตวาทุปาทานก็ดีเป็นความเคยชินที่ถือกันมาสั่งสมกันมาหลายต่อเนื่องไปข้างเดียวจนติดฝังแน่น เมื่อถูกขัดแยง้งจึงมักให้หาทางเลี่ยงออกทำให้มีการค้นหากันอีกว่าเมื่อนีไม่ใช่อัตตาแล้วอะไรจะเป็นอัตตาจึงต้องย้าในข้อที่ว่าอัตตาเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากภาวะตัณหามีอยู่ในความยึดถือคือกลายเป็นอุปาทานเมื่อหมดความอยากถอนความยึดถือนั้นแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องพูดถึงอัตตาอีก เมื่อละภวะตัณหาได้แล้วอัตตก็หมดความหมายไปเองการที่ยังค้นหาอัตตาอยู่อีกเป็นการฟ้องอยู่ในตัวว่ายัางพวงห่วงอยากมีอัตตาอยู่อีกกล่าวคือเมื่อภาพอัตตาที่ตนยึดถืออยู่เดิมถูกคุกคามทำลายก็ตกใจกลัวตัวตนจะขาดศูญย์พินาศเสียจึงไขว่คว้าหาอัตตาใหม่มายึด หรือคว้าสิ่งอื่นมายึดเป็นอัตตาแสดงให้เห็นว่ายังคงยึดอยู่ในภาพสัญญาของอัตตาในอัตตานุทิฏฐิในอัตาอตาวาทะและตัวภาวะตัณหาที่เป็นมูลรากก็ยังคงอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อยังมีภาวะตัณหาและภาพอัตตาก็ยังคงอยู่ในใจถึงสิ่งที่ถูกยึดเป็นอัตตาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่สาระสาคัญก็คงเดิมคือยึดตัวอัตตาที่เป็นภาพในใจนั่นแหละเพียงแต่ระบายภาพอัตตาที่ว่านั้นให้วิจิตพิสดารออกไปสมกับสิ่งที่ถูกยึดหมายอีกหน่อยถ้าแม้การยึดถืออัตตาไปเกี่ยวข้องกับสภาวะที่จริงแท้ก็จะบิดเบือนภาพของสิ่งนั้นให้ผิดพลาดไปด้วยถ้าไปยึดนิพพานเป็นอัตตาก็จะได้ภาพที่บิดเบือนของนิพพาน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 ที่จะต้องสนองอยู่นั่นเองและข้อนี้เองคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าตะข่ายดักษาสดาจา์ชั้นเลิศในวงเล็บรมมชาละคือตะขายดักพรหมพึงระลึกไว้ว่ามีสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าอัตตาที่ใครๆกำลังสแสวงหาและพูดถึงการเสียอีก สิ่งนั้นก็คือตัวความอยากมีอัตตาที่ทำให้สแสวงหาและพูดถึงอาัตตานั่นเอง